สาระน่ารู้เกี่ยวกับพระอภิธรรมครั้งที่ 4 วัน 27 กรกฎาคม 2550 ครั้งที่ 13 ที่ 14 ขอทบทวนสัก ความเป็นจริงตรงนั้นนะคะก็เกี่ยวแต่ ก็มีรูปที่เป็นรูปพื้นฐานก็คือมหาภูตะรูปมหาภูตะ แต่ถ้าเราดูเนื้อๆอยู่ก็คือโดยความเป็นธาตุดินในธาตุ ก็จะมีลักษณะเด่นของเค้าแต่ถ้าเป็นเรื่องของธาตุน้ําพาที่ประกอบอยู่ในร่าง ได้กํากับลงไปในอะไรไดไดได 15 ค่ะบัญญัติ ที่ภาษาต่างๆเกริ่นมาเมื่อสักครู่นี้ภาษาต่างๆเนี่ยค่ะภาษาที่เราใช้พูดคุย เรียกว่านายมีนางมาเรียกว่าสีเขียวทํานองเนี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้จัดเป็นบัญญัติทั้งสิ้นเลยเป็นสมมุติสิ่ง เพราะฉะนั้นในฐานะที่เรากําลังศึกษาเราต้องมาเปรียบเทียบแล้วค่ะว่าปรมัตถ์ธรรมกับบัญญัติถ้า คนที่จะไม่มีเพราะฉะนั้นชื่อชื่อภาษาที่ต่างๆนั้นเกิดขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์นั้นเป็นผู้คิดชื่อทั้งนั้น ก็เป็นเพราะว่ามีมนุษย์นั้นไปตั้ง สิ่งเหล่านี้นะคะคือต้นไม้บ้างภูเขาบ้างเนี่ยไม่มีนามๆมากำกับมนุษย์และนามธรรม แต่เท่าวันเนี้ยเรามานั่งคุยกันโดยที่ แต่เนื้อแท้ภายใต้ชื่อนั้นเนื้อแท้ภายใต้ชื่อนั้นก็เป็น นะคะ, 16 นะคะดังนั้นไม่ว่า นะคะ, 3 ส่วนเหมือนกัน 3 ส่วนคืออะไร 3 ส่วนนะคะประการจิตจิต ทำหน้าที่รับ 2 คือเจตสิกเจตสิกเป็นสภาพของ 28 ชนิดมารวมกัน 28 ชนิดเนี่ยถ้าลอง แผนภาพเนี้ยจะ 28 ชิ้นถ้าต่อ 28 ชิ้นนี้เข้าร่วมรวม 28 ชนิดแต่โดยหนึ่งคนจะมี 27 ชนิดจะ 1 ชนิดที่ ก็จะเว้นรูปคือในลักษณะของไปตอนนี้เราคงต้องอธิบายแบบกระชับสักนิดฉะนั้นนะคะถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยเราจิตมีเจตสิกส่วน เขาก็มีจิตมีเจตสิกมีรูปแล้วเราต่างกันตรงไหนจะเป็นเศรษฐีไม่ว่าจะกี่หมื่นล้าน โดยที่ลักษณะของผิวพรรณก็ตามลักษณะของ จึงลักษณะที่เรียกว่าสามัญลักษณะคือลักษณะธรรมชาติที่คล้าย อนิจจลักษณะนั้นหมายถึงลักษณะที่ไม่เที่ยงไม่คงที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอทุกขลักษณะหมาย จิตก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อพูดถึงจิตนั้นประกอบกับจิตเจตสิกก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันโดย จิตเจตสิกและรูปที่ประกอบขึ้นมาเป็นบุคคลหรือเป็นสัตว์ใดๆก็ตามนะคะแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ ในเขาจะเปรียบไว้ว่าของธรรมเนี่ยนะคะเค้าจะ 1 ครั้งเนี่ย มันทําให้เพราะการที่เขาเป็นไปอย่างรวดเร็วปัญญาของเราเนี่ยไปรู้ไม่ถึงอันนี้เป็นลักษณะของจิตเหมือนกับว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไม่ได้มีการเกิด หลอดนีออนเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงเค้าเนี่ยส่องมานวลค่ะ การเปิดการปิดเนี่ยจํานวนประมาณ 60 ครั้งเรายังเห็นถึงความอะไรฮะความนิ่งของของกระแสไฟเรายัง ความเป็นจริงเป็นอย่างนี้จริงเป็นอย่างนี้เค้ามีการเกิดดับ ไม่มีลมหายก็ถูกทิ้งไปในอากาศการที่เราหายใจเข้าไปใหม่เป็นของใหม่อยู่เลยลมหาย เรเรเรเราก็คงไม่สามารถที่จะทําได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าเนี้ยค่ะถ้าเรานํามา ท่านนักศึกษานะคะ 17 ค่ะเราพูดประวัติ 4 แล้วประวัติพระ 4 สัปดาห์ในสัปดาห์ที่ 4 หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วพระ รร ม. สภาพธรรมอันละเอียดเป็นลักษณะเป็นแก่นเป็นธรรมมะในพุทธษาสนาเพราะพุทธองค์ทรงพิจารนาอยู่ถึง 7 วันด้วยกันในขณะที่ทรงพิจารนาเรื่องของเหตุ ฉัพพรรณรังสีหมายถึงรัศมีประการรัศมีที่ปรากฏเกิดขึ้นที่กายของพระพุทธองค์มีอยู่ 6 เขียวแดงเหลืองขาวม่วงเนี่ยเราคงเป็นสีที่เราคุ้นเคยแต่สีเลื่อมพรายนั้นจะเป็นสี ในงานของอย่างที่ผ่านสี 6 สีเป็นแถบ 6 สีเนี่ย เรียกว่าธงฉัพพรรณรังสีนะคะถ้ามีลูกมาถามเราว่าเอ๊ะ 18 ค่ะในช่วงช่วง 6 พรรษาแรก นะคะแล้วทําให้เกิดฉัพพรรณรังสีปรากฏเกิดขึ้นหลังจากนั้นแล้วพระพุทธองค์ไม่ นะคะ. 6 อ่ะ นะคะ. 6 แห่งการ เพราะอะไรอะไร 6 ปีแรกไม่ได้สอนเลยมีเหตุง่ายถ้าเอาเรื่องเอาเรื่องยาก โทษก็คือโทษแก่บุคคลผู้ฟังเองแล้วก็โทษแก่พุทธศาสนาด้วยเพราะว่าอะไรโทษจะอธิบายให้เข้าใจบุคคลผู้ จะต้องเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยศรัทธาเหมือนอย่างที่ท่านผู้ คนส่วนใหญ่ยังเชื่อในลัทธิอื่นๆในศาสนามากมายยังไม่จึงยังพร้อมทั้งยังไม่ไม่พร้อมที่ โทษคืออะไรคืออะไรคือถ้าแสดงไปแล้วผู้ไม่ก็อาจจะเป็นเหตุทําให้เกิดการดูหมิ่นดูแคลนในพระอภิธรรม 6,000 สา ทรงแสดงพระภิธรรมครั้งแรกเป็นการแสดงใน 7 ใน 7 ในช่วงนั้นมีเหตุการณ์ท้านะคะเรา ซึ่งในศาสนาเนี่ยๆเป็นปกติแสดงๆผู้คนก็ทําไม มีการเหาะเราคงสนใจเดินอากาศได้เราคงสนใจแล้วคงสนเมื่อ เดลทิมาท้าพระพุทธองค์ในการที่จะแสดงจริงแล้วเดลทิมามาท้าก็เนื่องจากว่าพระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทในข้อของการห้ามภิกษุแสดงฤทธิ์ถ้า เมื่อรับคําท้าทําให้พระเจ้าพิมพิสารนั้นสงสัยมากเลยว่าอ้าวพระพุทธองค์ ดังนั้นพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติมีไว้กับสาวกสาวกในพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ นะคะที่ใต้ต้นมะม่วงแล้วหลังจากนั้นก็ก้าวครั้งนะคะ 1 ครั้งก้าวพระครั้งขึ้นไปเพียง นะคะ, 2 ครครก้าวเป็นการ การโปรดพระพุทธมารดาของพระพุทธองค์นั้นก็ไปแสดงพระภิธรรมเทศนา 7 วันแล้วก็ได้ไปอุบัติเป็นเทพบุตรมีพระนาม ใช้หลักว่าแสนโกรธพรหมหรือเทวดาเนี่ย แสดงบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ณเวลาไม่มาก 1 พรรษาเป็น 1 พรรษาการก็ในระหว่าง แล้วพระพุทธองค์เองก็เสด็จลงมานะคะเพื่อที่จะมาบิณฑบาตในเมืองของชาวอุตตรกุรุนะคะ การแสดงเป็นแบบไม่ย่อเกินไปให้พระสารีบุตรฟังเนี่ยแสดงพระภิธรรมเนี่ยๆไม่ย่อเนี่ยค่ะ ก็นังนําพระอภิธรรมนั้นไปสอนต่อแก่กับภิกษุผู้เป็นลูกศิษย์ 500 รูปลูกศิษย์ 500 รูปที่มาบวชแล้วมาเป็น 500 คน ลูกศิษย์ของวิธีแบบนี้เรียกว่าศาสดาลีบุตรก็มีโอกาส 500 รูปนี้ พระกัสสปะภิกษุ 500 รูปนี้ในอดีตเป็นครั้งคราวอยู่ในถ้ําแล้วก็ฟังสวดสาธยายพระ แล้วก็ได้มีโอกาสบวชแล้วก็มีโอกาส ใดในการศึกษาในหมดของพลายพิธรรมนะคะวันนี้เราจบในหน้าที่ 19 นะคะ